นะขอกล่าวถึงข้อความในพระสูตรต่อไปอีก<ป>ดูก่อนที่สูตรทั้งหลายตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อนในภพก่อนในกำเนิดก่อนละการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดเท็จพูดแต่คำจริงดำรงคำศัพ์มีถ้อยคำเป็นหลักฐานควรเชื่อถือ ไม่พูดลวงโลกนะก็คือรักษาศีลข้อมุสาวาทอย่างนี้เนละก็คือมามาพูดแต่คําสัตย์พูดแต่คําจริงนะมีคําพูดเป็นหลักฐานเชื่อถือได้ไม่ลวงโลกว่างั้นนะไม่หลอกลวงใครทั้งนั้นคํานั้นเป็นสัจจะใช่ไหมอ่าสัจจะมีหลายอย่างเช่นวจีสัจจะไงกล่าวเป็นวจีสัจจะ ตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนธรรมสังสมพ่อโพลภัยบุ์เมื่อก่อนเนี่ยนาเอ๊เราไม่กงหกเฉยๆเนี่ยไปสวรรค์ได้ทำไมไม่ได้ศึกษาการทำอันคือคือคิดว่าเอ๊การไม่พูดเท็จเฉยๆเนี่ยก็ก็ไปสวรรค์ได้นีเพราะว่าสมัยที่นั้นเนี่ยไม่ได้ศึกษาว่ากุศลจิตที่เกิดขึ้น ที่ทำให้เกิดการวิรัตงดเว้นจากการพูดเท็จเนี่ยเป็นอย่างไรงันไม่ไม่เข้าใจในลักษณะของกุศลแต่ถ้าหากว่าผู้ที่สมาทานสมาทานการใช้วาจาศึกษาในเรื่องการใช้วาจาเคยได้ยินนะสม า, เ, าเวลาราธนาสินพระเขาว่าไงมูสาวาทาเวรมนีศิขาปัทังสมาธิยามิใช่ สมาทานวิรัตงดเว้นจากการพูดเท็จสมาทานศึกษาด้วยนะตรงนั้นมีใช้คําว่าศึกษาเมื่อใช้คําว่าศึกษาปั๊บเนี่ยเท่ากับลองผิดลองถูกในการใช้คำํำจนกว่าจะใช้คําพูดพูดแล้วไม่มีโทษเลยพูดมากเท่าไหร่ก็ไม่มีโทษไม่ต้องนึกว่าไม่น่าไปพูดคํานั้นเลยเนี่ยถ้าผู้ที่ศึกษาในการใช้วาจามาเป็นอย่างดีจะไม่เดือดร้อนเพราะการใช้วาจาก็เคยเล่า ว, ว่ามีพระ รูปหนึ่งเนี่ยท่านท่านนั่งชมจันทร์ในวันพระจันทร์เต็มดวงค้ายว่าพระท่านก็อยู่ในป่าในดงอ่ะนะี่อยู่ในที่เงียบสงัดก็เหลือบตาขึ้นก็เห็นดวงจันทร์พอเห็นดวงจันทร์ปั๊บท่านก็พิจารณาว่าเออระหว่างดวงจันทร์กับอ่าดวงจันทร์นี่ช่างบริสุทธิ์จริงหนอปราศจากเมฆหมอกเหมือนกันชัดเจนผ่องใสเหลือเกินเหมือนกันเออแล้วศีลเอ่อระหว่าง ดวงจันทร์กับศีลของเราเนี่ยอันไหนจะบริสุทธิ์กว่ากันท่านก็บอกว่าในดวงจันทร์เนี่ยนะยังมีรอยมีรูปดูเป็นของหน้าตําหนิอยู่แต่ศีลของท่านเนี่ยไม่มีข้อหน้าตําหนิแม้แต่ข้อเดียวเลยครับว่าพอคิดได้อย่า ง, ง น, นั้นปะั๊บเนี่ยนะมันอิ่มใจเรียกว่าเรียกว่ า, า, วาปีติทั้งห้าเนี่ยเกิดขึ้นนะเรียกว่าไม่มีส่วนไหนที่ในร่างกายที่ปีติเข้าไม่ถึงนะปีติเนี่ยเอบิบอาบ ทราบซ่านไปทั่วรับสารพางกายหมดแล้วท่านก็เจริญวิปัสสนาตรงนั้นบรรลุเปบญผ้าอรหรันเลยนั่นแหละสำหรับคนมีบุญเขาอ่ะนะอันในเบื้องต้นเนะี่ยพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันต้องสมาทานในการใช้วาจาสมาทานในการใช้วาจาจนกว่าจะรู้จักพูดเป็นคําสัตว์พูดเป็นคำจริงพูดไพเราะเหมาะแก่การประสานประโยชน์แล้วก็การใช้วาจานี้ก็เป็นหนึ่งในมักมีองแปดเพื่อความพ้นทุกข์ด้วย ใช่ไหมเป็นมั้งไหมเป็นสัมมาวาจานะถ้าหากว่าเราใช้ยังไม่ถูกก็ไม่คู่ควรกับการพ้นทุกข์นะถ้ายังใช้วาจาไม่เป็นก็ไม่คู่ควรแก่การตรัสรูธ้ธรรมก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆฝึกจนชำนาญนะที่ว่า <c oughs> มุสาว า, าทานนะเวรมณีสิกขาตัวนี้เนี่ยแปลว่าให้เราเนี่ยต้องหมั่นศึกษา เรื่องนี้ใช่ไหมครับเจนพศึกษาในการใช้วาจาเลยแล้วก็ในอัธกถานะฮะท่านอธิบายคาว่าสิกขาหรือสิกขานี่นะหมายความว่านอกจากจะศึกษาอย่างที่เราศึกษาทั่วไปแล้วนะี่นะยังหมายถึงว่าการสังเกตการสํารวมการสมาทานการเข้าไปวิรัตนี่เป็นเรื่องของสิกขานะนแล้สิกขานี่กว้างมากเลยนะครับเจนพนั้นก็คือศึกษาการใช้วาจานะ เขาบว่าฝึกพูดนั่นเองฝึกพูดจนไม่มีโทษอันั้นถ้าโดยทวารมีแค่สามใช่ไหมกายวาจาใจฝึกสามทวา น, นี้จนไม่มีโทษอ่ะถ้าหากว่าผู้ที่สามารถรักษากายวาจาใจโดยปราศจากโทษผู้นั้นแหละเรียกว่าผู้สมบูรณ์ด้วยกุศลกรรมบุนะเขาเรียกว่ามีมนุษยธรรมอย่างสูงมนุษยธรรมชั้นสูงนะอาศัยพื้นฐานมนุษยธรรมอันนี้แหละ เพื่อหาอุตริมนุสธรรมอุตริมนุสธรรมนั้นก็คือฌานอภิน ญ, ญามมักผลนิพพานสิ่งเหล่านี้เป็นอุตริมนุสธรรมถ้าหากว่ามนุษยธรรมยังไม่มีแล้วอุตริมนุสธรรมจะเป็นได้อย่างไงเพราะฉะนั้นมนุษยธรรมนี่ก็ต้องฝึกให้สมบูรณ์ให้บริบูรณ์แต่ไม่เนี่ยนะเขาใช้คําว่าฝึกนะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นสัทธาเป็นปุริสธรร ม, มสารถพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าอันพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคนั้นจึงเป็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อการฝึกนะเพื่อการฝึกอันพระองค์นั้นพระธรรมคำสอนส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นพระธรรมที่ค่อนข้างให้กำลังใจคิดดูนะถ้าหากว่าอย่างของ้อธรรมมาเองเนี่ยนะไม่มีใครให้กำลังใจเราเท่าได้เท่าพระพุทธเจ้า นะถ้าถ้าเราขยันอ่านพระสูตรต่างๆเนี่ยพระองค์จะให้แ ง, งม่มุมให้ความรู้สึกนึกคิดเธอควรคิด อ, อย่างนี้นะเธอควรพูดอย่างนี้อย่างนี้อยากคิดคิดอย่างนี้มีโทษ ร, ระดับนี้คิดอย่างนี้มีโทษ ร, ระดับนี้คิดอย่างนี้มีโทษ ร, ระดับนี้ท่านแบ่งให้เราหมดเลยท่านแยกแยะเป็นวักเป็นตอนหนูพระองค์นี่มีพระมหากรุณาธิคุณอย่างเรามากมายมหาศ า, ารถ้าหากว่าเราไม่ได้พระธรรมคําสอนเนี่ยโอ uh, ้ชีวิตของเราจะน่าสงสารไปอีกขนาดไหนนั่นแหละต่อไปนะว่า อา น, นิสงของพระองค์ที่งดเว้นจากพูดเทศแล้วมาพูดคำสัตย์ํำจริงเป็นต้นเนี่ยทำให้ได้มหาปุริสลักษณะ ส, สองอย่างสองอย่างก็คือมีพระโลมาขมละหนึ่งเส้นมีขนขมละเส้น่ะนะและมีอุณาโลมในระหว่างคิว้วมีสีขาวอ่อนเหมือนปุยฝ้ายและก็คือตรงหน้าผากะนะ มีนขนระหว่างคิ้วนี่เรียกว่าพระอุณารมสีขาวเหมือนปุยฝ้ายนี่เป็นนิมิตของผู้ที่ไม่โกหกมาพระมหาบุรุษสมบูรณ์ด้วยพลักษณะสองประการนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ น, นะจะได้รับอันนี้สอพิเศษเพิ่มอีกก็คือเป็นที่ประพฤตตามของมหาชนมหาชนเนี่ยประพฤตตาม ไม่ว่าจะเป็นพราหมณ์เครือหาบดีชาวนิคมชาวชนบทโหราจารย์มหาอ ม, มาตยกองทหารนายประตูอ ม, มาตย์บริษัทเจ้าเศรษฐีราชกุมารนคนทั้งหลายก็ประพฤติตามท่านนะมหาชนเนี่ยประพฤติตามเอาแบบเอาเยี่ยงอย่างซึ่งมีในบางสูตรกล่าวว่าดูก่อนมหาบพิษถ้าหากว่าพระองค์ประพฤติรมสนมนางในของพระองค์ก็ประพฤติรมด้วย เมื่อพระองค์ประพฤติธรรมขราชการอัมมาต์ทั้งหลายก็จักประพฤติธรรมด้วยเมื่อพระองค์ประพฤติธรรมชาวชนบทชาวแว่นแควนก็จักประพฤติธรรมด้วยอันพระราชาถ้าประพฤติธรรมปั๊บคนเอาแบบเอาเยี่ยงเอาอย่างหมดเลยนนถ้าหากว่าท่านออกบวชจะเป็นพระอรหรันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้ ผลพิเศษเพิ่มอีกก็คือเป็นที่ประพฤติตามของมหาชนนะไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันนะคนเหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ประพฤติตามพระผู้มีพระภาคเจ้าน ะ, จะเจริญรอยตามพระองค์ปฏิบัติตามพระองค์จเจริญ น, นะพระองค์ให้ว่ายังไงก็เอาหมดอ่ะ พระผู้มีพระภาคตรัสเนื้อความนี้ไว้พระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในพระลักษณะนั้นว่าในชาติตอนก่อนพระมหาบุรุษมีปฏิญญาเป็นสัจจะปฏิญญาก็คือการใช้คำนั่นเองมีพระวาจาไม่เป็นสองเว้นคำเลียวไหลไม่พูดให้เคลื่อนคลาดจากใครๆตรัสโดยคำจริงคาแท้คาคงที่ มีพระอุณาโลมสีขาวสะอาด อ, อ, อ, อ่อนดีดังปุยนุ่นเกิดในระหว่างพระขนงในคุมพระโลมาทั่วไปไม่มีพระโลมาเกิดเป็นสองเส้นมีพระศรีระอันพระโลมาเส้นหนึ่งหนึ่งขึ้นสะพรั่งพวกผู้รู้พระลักษณะฉลาดในนิมิตที่ปรากฏเป็นจํานวนมากมาประชุมกันแล้วทํานายพระมหาบุรุษว่า พระอุณาโลมตั้งอยู่ดีโดยนิมิตบ่งว่าชนเป็นอันมากย่อมประพฤติตามนะบ่งบอกถึงลักษณะของว่าหูทำอะไรมีคนเจริญรอยเอาแบบเอาอย่างเอาเยี่ยงอย่างพระมหาบุรุษแม้ดำรงอยู่ในขิหิวิสัยมหาชนก็ประพฤติตามเพราะกรรมที่ทรงทำไว้มากในชาติก่อนหมู่ชนย่อมประพฤติตามพระมหาบุรุษผู้ตัดกังวลทรงผนวด เป็นพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐผู้สงบนะขนาดท่านออกบวชยังมีคนออกบวชตามท่านเลยนั่นแหละพระราชาลายคนออกบวชอย่างพระเจ้ามหากปรินะนี่ก็สละราชสมบัติออกบวชอั้นพระราชาที่ออกบวชเนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีหลายพระองค์มากถึงมัสสีนี่นะเราฟังฟังดูนะถ้าไม่ศึกษาก็ดูมันมไม่น่าจะอะไรลึกลับไม่น่าไม่น่าจะยากนะเช่นสมมุติว่าข้อปานานี่นะฮะ <c oughs> ข้อปาณาปิด ปานอาทิปาตาเนี่ยเราไม่ฆ่าสัตว์แล้วเนี่ยนะเรายังต้องเมตตาด้วยนะเพราะศีลนอกจากวิรัตนี่นะคือไม่ทําแล้วเนี่นะศีลยังต้องทําบางสิ่งที่ตรงข้ามด้วยนะถ้าไม่ฆ่าสัตว์แล้วต้องเมตตานะถ้าไม่พูดทุจริตนะต้องพูดสุดจริตด้วยแล้วพูดด้วยความเมตตาพูดที่เป็นพูดขอประโยชน์ด้วยโอ้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะเพียงแต่ว่าเราไม่พูดเท็จแต่พูดจริงอย่างเดียวก็ไม่ถูกอยู่แล้วอะ่ะ พูดจริงอย่างเดียวแต่ว่าเกิดเกิดความเสีหยหายเอยอะแยะมีเอยอะแยะไปไม่ถูกกาลวเวลาไม่เกิดประโยชน์ไม่ถูกจังหวะไม่ถูกอะไรนะโอ้เอยอะแยะนะครับเพื่อนห้คำว่าสิกขานี้ผมน่าสนใจนะเมื่อกี้กทำไมจึงองพ่วงมาว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประดังนี่นะอันนี้ก็แปลในรองแปลให้ครบให้ทั่วหน่อยทีครับ เข้อเอาข้อมุสานี่ครับมุสาวาดามุสาวาทาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามีนี่ยนะมีตัวหลังนี่บอกว่าข้าพเจ้าขอสมาทานนะสมาทานเนี่ยนะสมาทานเวรมณีวิรัติงดเว้นศึกษาในการงดเว้นจากการพูดเท็จมีศึกษาเข้ามาอีกคำหนึงเนี่ยศึกษาก็คือสมาทานการใช่วาจาให้ศึกษาให้ดีนะเพราะว่าธรรมะพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยเป็นเรื่องของกุศลหมดอะ เป็นเองกุศลหมดอะถ้าทำแล้วเป็นอกุศลนี่หมายความว่าน่ารับเราประพฤติปฏิบัติเนี่ยผิดแล้วไม่ตรงวัตถุประสงค์ของพระอแม่เมื่อกี้นี้ก็มาบอกว่าฉันพูดจริงใช่ไหมฮะไม่ไม่ไม่พูดเขาบอกว่านี่เป็นคำจริงนั้นสมุตฐานต้องเกิดจากนะถ้าถ้าจริงนั้นต้องจริงใจด้วยเพราะว่าการใช้วาจาเป็นจิตตชรูปใช่ไหมอ่าเมื่อเป็นจิตตะชรูปนั้นถ้าคานั้นจะจริงสมบูรณ์ต่อเมื่อหนึ่งนะ ความจริงอันนั้นพูดด้วยความไพเราะเหมาะแก่การประสานประโยชน์ประกอบด้วยเมตตาจิตหวังดีปรารถนาดีไม่หวังให้เขาแตกแยกกันเป็นคำพูดที่มีประโยชน์มีคุณค่ามีสาระคนฟังแล้วเขาสบายใจเป็นเขาฟังแล้วเขาจิตเขาสร้างสารรค์ขึ้นลักษณะ น, นั้นจึงจะเป็นลักษณะของการใช้วาจาที่ดีมีสาระมีประโยชน์จริงๆเพราะนั้น บางอย่างเนี่ยจริงแต่ความจริงบางอย่างเป็นกุศลหรืออกุศลความจริงบางอย่างเป็นอกุศลความจริงบางอย่างเป็นกุศล ค, ความจริงบางอย่างเป็นอัพยาคตะในความจริงที่เป็นกุศลก็เป็นใกล้ต่อกุศลต่อๆไปแต่ความจริงที่เป็นอกุศลก็ใกล้ต่ออกุศลด้วยนะจริงเหมือนกันแต่ความจริงบางอย่างก็ทําให้ตกนรกเหมือนกันนะเราะนั้นคําจริงนั้นน่ะสัจจะบางอย่างก็เป็นกุศล สัจจะบางอย่างก็เป็นกุศล ส, สัจจะบางอย่างก็เป็นอัพยากตะสัจจะบางอย่างควรละสัจจะบางอย่างควรเจริญสัจจะบางอย่างควรกําหนดรู้สัจจะบางอย่างควรทําให้แจ้งเพราะฉะนั้นไอ้จริงเนี่ยกิจของความจริงมีตั้งหลายอย่างจะไปพูดตามโอ้จริงอะแต่จริงที่ควรละนะครับอกุศลนะครับเจนพานครับถ้าพูดถึงว่าสีนี้ครับก็มีวิลัตทใช่ไหมครับคือเว้นใช่ไหมครับแล้มีจาริตสีด้วยนะต้องปฏิบัติด้วยนะ เวลาถ้าหากว่าเราไม่ฆ่าสัตว์เราก็ต้องเมตตาด้วยนะเวลาไม่รักทรัพย์เนี่ยไม่พอนะต้องมีจากะมีเผื่อแผ่มีการบริจาคด้วยนะหรือว่าถ้าหากว่าไม่พูดแท้ยังต้องพูดอ่อนหวานด้วยอย่างงี้ครับแต่ถ้าหากว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าสุราไม่ดื่มแล้วเนี่ยไม่ใช่ให้ให้เล่าคนอื่นเ่านะครับ <S <S <S <S ผมนะผมไม่ยอมให้สุราใครเป็นเป็นไอ้นั่นเลยครับ ไม่ให้สุราใครมนาะเป็นเป็นของขวัญเลยนะแม้แต่ว่าไอ้คนงานผมเวลาขอพกกนัการขอเหนื่อยนะข อ, อะขอตังค์บอกไอ้จะไปซื้อเหล้านะแกไปซื้อกับแก้มได้นะส่วนอไอ้เหล้าไอ้เหล้านะไม่รู้นะฉันไม่รู้ด้วยนะถ้าไอ้เงินอันนี้ต้องไปซื้อกับแก้มนะซึ่งมั น, ม, นมันไม่รู้แนะผมก็ไหวอย่างเงี้ยนะไม่รู้มีทางไม่มีทางอื่นอีกแล้วอ่ะนะฮ <Okay. S 1> นะ หรือว่าแม้แต่ข้ อ, อการเมฆกันไหมกันนี่นะครับเรานอกจอากจะวิรัต แ, แล้วเราก็ควรจะต้องมีการห้ามปลามีการไม่สนับสนุนอะไรด้วยเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของสิทขาทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับนีนะ่กรรมบดสี่สิบป่ะนะี่นะกรรมบทสี่สิบอ่ะก็คือสิบนั่นแหละขยายเป็นสี่หนึ่งใช่ไหมไม่ทำเองไม่ชักชวนผู้อื่นเมื่อคนอื่นทาไม่ยินดีนะประเภทเนี้ย กรรมมบท10ข้อ1สมมุติว่าข้อข้อปานาใช่ไหมหนึ่งไม่ทาเองไม่ฆ่าเองไม่ฆ่าเองสองไม่ใช้คนอื่นฆ่าเซนทอนเมื่อคนอื่นฆ่าไมื่คนอื่นฆ่าเมื่อเมื่อคนอื่นฆ่าก็ไม่ยินดีเซนทอนนะฮะแล้วก็ไม่ส่งเสริมไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนในการไม่สนับสนุนก็เป็น4อย่างใช่ไหมที่กรรมบท10ก็10บนี่คูณ4ี่อ่ะทั้งสิอย่างนั้นนะต้องมีอย่างเนี้ยหนึ่งไม่ทําเองไม่คนอื่นให้ ไม่คนอื่นทำไม่ยินดีไม่สนับสนุนอะไรเนี่ยรวมแล้วสี่สใช่ไหมครับเชิญทอนันนี้น่าสนใจนะครับเนี่ยสี่สิบเลยเนี่ยเชทอนนไม่ไม่ใช่มีอย่างเดียวใช่ไหมคือธรรมะที่ว่ามันฟังแล้วคําโดดๆนะคือเราไม่รู้รายละเอียดในเรื่องนะหรือเราไม่สนใจในเรื่องนั้นเลยนึกว่าเข้าใจแล้วแต่ในทุกเรื่องเลยนะถ้าเป็นคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านะอ่าของมาใช้คําลักษณะแต่ต่อจิกซอ ในหนึ่งคำนั้นจะขยายไปเรื่องอื่นได้แตกแขนงมากมายมหาศาลก็พระองค์แสดงเรื่องกรรมบทเนี่ยเขาฟังแล้วบางคนเขาบรรลุมรรคผล เ, เราฟังก็้วเฉยๆนี่ก็แสดงว่ามีปัญหาแล้วเพราะฉนั้นแสดงว่าเรานี่มีความเข้าใจในพระธรรมคําคสอนนี่อ่อนมากเลยในเรื่องนั้นนะฟังเรื่องไหนแล้วไม่ปลื้มใจนะขอให้รู้เถอว่าเรื่องนั้นแหละเราไม่รู้เรื่องเลยท่านแกดูเวลาอ่านพระไตรปิฎกเหมือนกันนะศูนย์ไหนอ่านแล้วเฉยๆแสดงว่าเราไม่รู้เรื่องเลยสูตรนะั้น สูตรไหนฟังอดูเหมือนซึ้งเมาอเกินแสดงว่าโอ้พอเข้าใจในสูตรนั้นๆเพราะฉะนั้นของมันมาจะให้ค่าสูตรไหนที่เราอ่านแล้วเฉยเฉเนี่ยจะกลับไปอ่านใหมจ่จะใส่ใจเป็นพิเศษสูตรที่เราไม่สนใจจะได้กลับไปคน้นเอ๊ะทาไมเราจึงไม่เข้าใจทําไมไม่ศรัทธาถ้าเป็นเมื่อก่อนในนักศึกษาพระธรรมใหม่ๆเรื่องที่อ่านผ่านเลยคือไตสรสารณคมรเข้าใจสบายพิกๆลกพลเออเนี่ยพุทธะแต่พระธรรมพระสองโอ้สบายมากนะ มาตอนหลังๆเรื่องศีลเหมือนกันปานาดีปาเต้าโอ้เครียดได้เลย ส, ยสบายสบายเรื่องนี้สบายอยู่แล้วพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยนะกลับมาค้นใหม่โอ้อยากยากกว่าเรื่องที่เราว่าเราเข้าใจอีก ะ, ะกลายเป็นหัวหูเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดมากเท่าที่ดูถ้าเราเข้าใจเรื่องไตรสน า, นาคมจริงๆนะไตรสรณคมมีกี่อย่างนะสองอย่างคือโลกิยะกับโลกุตระสรณคม แล้วเราเนี่ยโลกิยสรณคมนั้นการถึงไตรสรณคมมีกี่อย่างแบบโลกิยะนะด้วยการนอบน้อมเป็นต้นด้วยการนอบน้อมด้วยการมอบกายถวายชีวิตด้วยการอุทิศตนเป็นสิทธิ์อย่างเงี้ยแล้วลักษณะว่าขอเป็นสิทธิ์ท่านอะ่ะเออสิทธิ์ที่ดีเขาคิดยังไงกับกับกับอาจารย์อย่างเงี้ยให้เราก็ตอนหลางๆมาโอ้สอบตกหมดเลยก่อนนึกว่าผ่านหมดแล้วนะ เีนี้ก็ต้องกลับมาดูใหม่ดังนั้นการศึกษาพระธรรมไม่เหมือนกับวิชาขแขนงอื่นวิชาขแขนงอื่นนั้นจะมีคนจี้เราแต่พระธรรมไม่มีมันต้องใช้สามัญยสํานึกด้วยตัวของตัวเองจริงๆนั่นแหละถ้าคกนคนอื่นนะคนมีจะมีคนคอยจี้คอยเตือนคอยบอกคอยอย่างนั้นอย่างนี้แต่มาสมัยนี้เนี่ยเราต้องต้องช่วยเหลือตัวเองจริงๆมาในยุคที่หากะรยาณมิตรยากแต่จะเป็นลักษณะ น, นี้ต้องช่วยเหลือตัวเองจริงๆเล ถ้าหากว่าเราไม่ช่วยเหลือตัวเองจริงๆเราก็ตกตกจากศาสนาพอมานึกเนกอย่างไงก็ยังนึกถึงคําเดิมว่าขอเราอย่าเพิ่งเสื่อมจากศาสนาเลยอย่างไงศาสนาเสื่อมแน่นอนดวงอาทิตย์เนี่ยนะแสงสว่างของโลกเนี่ยก็ยังร่วงลับไปพระพุทธศาสนาอย่างไรก็เสื่อมแต่อย่างไรนียังไงก็ขอเราอย่าเพิ่งเสื่อมและขอเราอย่าเป็นปัจจัยแห่งความเสื่อมของศาสนาเลยอันนี้ก็ถือว่าโอ้ประสบความสําเร็จในการเกิดมาเป็นมนุษย์นะนะ เมื่อเช้านี้ได้พบศัพท์คำนะศีลรมา ย, ายานเนี่ยหมายความว่าไงครับหมายความว่าศีลซึ่งเป็นทุศลเนี่ยก็ประกอบไปด้วยญาณศัพบัตยุกมีหรื อ, อยังไงครับจนผ่านข้อว่าสุตวานะสังวเรปัญญาศีลธรรมา ย, ายานังคือปัญญาที่ที่ฟังแล้วสังวรสํารวมระวังเอาไว้นั้นเป็นศีลมา ย, ายาน คือหมายความว่าฟังเรื่องสุตตมยยานมาเป็นอย่างดีอย่างละเอียดละออแล้วสามารถที่จะสังบรสัมรวมระวังนะปัญญาที่เกิดร่วมในขณะที่สังวรสัมรวมระวังนั้นเป็นศีลมยยานนะก็คือวีระตีเจตสิกเกิดร่วมกับปัญญาได้ไหมได้และอย่างหนึ่งศีลไม่ใช่อย่างเดียวใช่ไหมเจตนาอ ะ, อะไรคือศีลเจตนาศีหลังเจตนาเป็นศีล เจตสิกะสีลังเจตสิกเป็นศีนสังวระสีลังสังวรก็เป็นศีลอาวีติกมะศีนนั่นแหละสีนมีทั้งหลายอย่างในศีลเหล่านี้เนี่ยมีปัญญาเจตสิกเกิดร่วมด้วยปัญญาเจตสิกที่เกิดร่วมกับศีนชื่อว่าศีละมัยญาณญาณที่ที่เกิดขึ้นสําเร็จเพราะศีนนั่นแหละอาศัยศีนปัญญาเหล่านี้จึงจะเกิดขึ้นนะสีลที่เป็นญาณะสัมปยุทธ์ด้วยเนี่ยนะไม่ไม่ใช่เจริญง่ายๆเจริญทอน ศีนทั่วไปนี่ส่วนใหญ่จะเป็นศีลยานวิทย์ประยุทธ์ซ ส, ส่วนมากอาจจะมียาณสัมประยุทธ์ก่อนหน้านั้น เ, ออเห็นแล้วนี้นองการรักษาศีนเลยรักษาศีลเลยแต่ในขณะรักษาศีนจริงๆเนี่ยนะที่เป็นยาณสัมปยุทธ์วินิจฉัยในเรื่องศีนจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่อนมากอ่อนมากในเรื่องศีลอัะนนะัวันนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ใชครับ